ฉันเกิดมาทำไมเนี่ยคำถามนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากคำถามว่านะฉันเข้าโรองเรียนทาไมฉันเข้าโรองเรียนทาไมนะเราเข้าโรองเรียนนะเราเรียนหนังสือเราเข้าโรองเรียนก็เพื่อมาเรียนหนังสือเพื่อมาหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนจริงอยู่บางคนบอกว่าเนี่ยตอนเด็กๆ ก็ไม่ได้ตั้งใจขอโรงเรียนนะพ่อแม่พาเข้าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะสองขวบบ้างสามขวบบ้างพ่อแม่พาเข้าไม่ได้เข้าเองมันก็เมื่อการเกิดนะเราก็ไม่ได้เกิดมาเองนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาหรือว่าถ้ามองไกลไปอีกหน่อยย้อนถอยหลังไปหนะ่อยก็จะบอกว่าเป็นเพราะกรรมนะทำให้มาเกิด แ่อยังไรก็แล้วแต่นะการมาสู่โลกนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนการที่เข้าโรงเรียนจะเป็นพ่อใครพาเรามาเกิดในโลกนี้ก็ตามหรือว่าจะเป็นพ่อใครพาเราเข้าโรงเรียนก็ตามนะเมื่อเราเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็รู้แน่นะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรนะก็คือเพื่อมาศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อ พัฒนาตนนะพัฒนาศักยภาพของเรานะจากเด็กที่ไม่รู้หนังสือก็อ่านออกเขียนได้จากที่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะแต่งเรียงความหรือจนกระทั่งเขียนหนังสือสามารถที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมีความรู้นะจนกระทั่งาสามารถจะ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 กลัตีกลัวถูกพ่อแม่ตีหรือว่ามาเรียนเพื่อจะเอารางวัลจากพ่อแม่นคนฉ ล, ลาดเนี่ยเด็กที่ฉลาดนี่เขาไม่ไม่ได้เรียนเพื่อจะเอารางมาจากพ่อแม่แนตะ่เขาเรียนเพื่อจะเอาวิชาความรู้การที่เรามาอยู่ในโลกนี้นะแล้วก็มีชีวิตมาจนถึงป่านนี้เนี่ยนะก็ควรจะตอบได้เช่นเดียวกันนะว่าเราอยู่ไปทําไม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 นะร่ำเรียนวิชาชีวิตนะให้ช่ำชองให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะอเอาตัวรอดได้พ้นจากทุกภัยแล้วก็มีชีวิตที่ผาสุขมีจิตใจที่งดงามและเป็นอิสระสงบเย็นก็ น, นี้ในการเรียนเนี่ยนะจะเรียนให้ได้ผลปัญญาจะงอกงามได้เนี่ยมันต้องมีการบ้าน นะมันต้องมีการบ้านแต่การบ้านเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะมีตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากการบ้านบางอย่างก็ไม่ต้องใช้สติปัญญามากนะใช้ความอดทนใช้ความพยายามใช้ความเพียรเช่นคัดเลขคัดคัดลอกกอไก่ขอไข่นะขีดเขียนตามเส้นประนะกอไก่หรือว่า เขียนข้อความหรือประโยคหนึ่งเนี่ยประมาณสักิบครั้งยี่สิบครั้งสมัยเด็กๆเราก็ทกําการบ้านแบบนี้แหละทาซ้าๆทาซ้ำ ๆ, ำำๆแต่ว่าพอโตขึ้นโตขึ้นนะมีวิชาความรู้มากขึ้นการบ้านก็จะยากขึ้นยากขึ้นโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์วิทยาศาสตราสานะ์คำนวณหรือว่าภาษามันก็จะยากขึ้นการบ้านที่มีเพื่ออะไรนะ เพื่อฝึกให้เราเข้มแข็งอดทนแล้วก็มีสติปัญญาอันนัน้นการบ้านเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับวิชาทางโลกวิชาชีวิตก็เหมือนกันนะมันก็มีการบ้า น, นการบ้านเนี่ยก็มีหลายแบบหลายารูปลักษณ์การมาเจริญสติการรักษาศีล น, นะมันก็เป็นการบ้านอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ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 ปวดวตัวร้อนบ้างเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเงินหายของหายบ้างถูกต่อว่าด่าทอบ้างงานการไม่ล้มเหลวบ้างองานการล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จบ้างหลายคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่านี่คือคราะกรรมเสร็จแล้วก็ตีโพยตีพาย <นะ S 2> โอดครวญปวดไวไวไม่เอาแล้วอยากจะหนีที่จริงแล้วเนี่ยให้เรารับรู้ว่าเนี่ยคือการบ้านที่จะมาฝึกเรา คนเด็กนักเด็กเนี่ยนะถ้าหากว่าหรือนักเรียนนักศึกษาก็ตามถ้าเจอกันบ้านอย่างย า, ยาแล้วก็หนีนะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าฉลาดเพราะว่าปัญญาไม่เกิดนะความรู้ก็ไม่งอกเงยหลายคนเวลาเจอความทุกข์นะเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็แต่ตีโพยตีพาว่าทาไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้ น, ง เ, น, นนะเงินหายถูกโกงก็ ตีโพยตีพายกลัดกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เรียกว่าสอบตกแล้วนะสอบตกแล้วสหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อรู้ว่าเรามาโลกนี้เพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรถ้าชัดเจนนะว่าเราอยู่เพื่อพัฒนาตนเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ความทุก เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านที่จะมาฝึกเราให้เข้มแข็งจะไม่ท้อแท้แต่ จ, จะไม่อดครวนอาจจะบ่นบ้างนะทีแรกๆนะแต่ว่าสุดท้ายกจะตั้งหลักได้จะยอมสู้กับมันจะฝ่ามันไปให้ได้จะไม่หนีหรือว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองหรือบางคนถึงกับอคิดจะฆ่า ต, ตัวตาย เขาพราะเขาคิดว่าอันนี้มันคือข้อกรรมที่มันเกิดกว่าที่จะรับได้แต่ลองปรับใจสมัยวันนี้คือการบ้านยิ่งคนที่เก่งคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะมีการบ้านยากๆเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อฝึกเราให้เราฉลาดเพื่อเราเข้มแข็งขึ้นถ้าเรามองแบบนี้นะว่าความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันคือการบ้านเนี่ยซึ่งมีประโยชน์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 บอกว่ามีญาติคนหนึ่งเป็นญาติที่สนิทนะเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาน ะ, ะนใช่ไหมเขามีความต้องการใช้เงินมากเธอก็คุณกับญาติคนนี้ก็เลยช่วยไปหาเงินมาให้เธอได้ใช้นะก็คงไปจ่ายหนี้หรืออะไรสักอย่างนี่นหะตัวเธอเองก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เธอก็ไป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 เ ง, เงินที่ญาติจะมาจ่ายให้เธอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นเงินที่ชำระหนี้ที่เธอไปกู้ยืมเงินมามาให้กับญาติเนี่ยก็เลยหายไปเธอเลยต้องจ่ายหนี้เองนะส่งดอกเองเรื่องแบบนี้นี่เราคงได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะล่าสุดก็คนก็นมีข่าวนะต้องจ่ายเงินค่าค้าประกันเพราะว่า นักศึกษาที่ตัวเองคำประกันไว้เป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ยอมกลับมาใช้ทุนนะคนที่คำประกันเลยก็ต้องจ่ายนะเป็นล้านนะสิบล้านไดแ้แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้ผู้หญิงคนนี้แกก็ทุกมากนะกุ่มอกกุ้มใจมากเพราะว่าไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นหนี้ของเธอเองนะ เป็นนี้ที่เกิดจากความปรารถนาดีที่จะช่วยยาตจะเครียดมากเงินที่หาได้ก็ได้แต่เพียงแค่ชําระดอกแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เครียดจนกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยแนะนําเข้าไปว่านะไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดกับเราตอนนี้เนี่ยมันก็เมือนกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่า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 เราก็จะลืมตาอาปากได้ไม่มีหลายคนที่เป็นหนี้นะร้อยล้านพันล้านโดยพาะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี40คนเหล่านี้เขาก็ไม่หนีแล้วก็ไม่หนีหนี้แล้วก็ไม่หนีหนหนออกจากโลกนี้นะคือไม่ค่าตัวตายเขาก็พยายามนะใช้หนี้ระหว่า ง, งที่ใช้หนี้ก็พยายามเจรจาประนอมหนี้กันไปใช้ไปพางนะเจรจาไปพราง มาถึงวันนี้นะถึงปีนี้พศออนี้หลายคนก็กลับมามีชมีวิตใหม่ตั้งตัวได้อาจจะไม่รวยอู้ฟู้เหมือนก่อนนะแต่ว่าก็มีความสุขคนเหล่านี้เนี่ยก็คงอ า, อาจจะรู้สึกว่าเออตัดสินใจถูกนะที่เราไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไ อ, อ้นี่รอยล้านพันล้านนี่มันก็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 เหมือนคนติดคุกเนี่ยนะสาิบปีหรือติดคุกสี่สิบปีห้าสิบปีเนี่ยถ้าเอาแต่เอาแต่นับถอยหลังว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกเมื่อไหร่จะคุกเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะท้อจนกระทั่งฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กับปัจจุบันนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่วันนี้ให้มีความสุขพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้อีกกี่วันอีกกี่ปีอีกกี่เดือนเจะออกจากคุกนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนี่มันจะ ใช้อีกกี่ปีกว่าจะหมดก็เป็นเรื่องของอ น, นาคตแต่ว่าวันนี้นะเราก็พยายามหาเงินมาใช้หนี้เดือนนี้ตั้งใจว่าจะจ่ายจะหานี่หาเงินมาจ่ายหนี้แสนหนึ่งหรือว่าหนึ่งหมืน่นก็สนใจแต่เฉพาะเดือนนี้นะส่วนอีกกี่ล้านที่รออยู่อย่าเพิ่งไปสนใจนักปีนเขาที่เก่งๆ เ, เนี่ยนะเขาสูงสูงนะขนาดเอเวอเรสต์เนี่ยเวลาก็ปีนเขาเนี่ยเขา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 อีกไกลนะจะถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะทําวันนี้ให้ดีแล้วก็บอกเข้าไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่ไม่ใช่ปัญหานะที่ทําให้ทุกข์ใจปัญหามันเกิดเพราะไปแบกหนี้ไปแบกเอาไว้นะถ้าใจไม่ไปแบกหนี้นะ่มันก็ไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่นะมือก้อนหินเนี่ยถ้ามันวางอยู่บนพื้นเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกแต่พอเราไปแบก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 ไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการบ้านอย่างหนึ่งนะที่มาฝึกเราฝนะึกเราให้รู้จักใช้ธรรมะนะใช้ความรู้นะใช้สติปัญญาทางธรรมเนี่ยเพื่อมารับมือกับมันนะถ้าเราผ่านมันไปได้เเราจะเข้มแข็งกว่าเดิมเราจะฉลาดกว่าเดิมแล้วถึงเวลาสอบไล่นะเราก็จะผ่านฉลุอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าเรามาในโลกนี้เนี่ยก็เหมือนกับเรามาเรียนหนังสือนะ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 ก็คือว่าถ้าสอบไม่ได้ก็ตกเลยนะไม่มีการแก้ตัวไม่มีการสอบอีกครั้งหนึ่งถ้าสอบได้นะก็ไปสุคติแล้วคนเนี่ยไม่ค่อยเฉลียวใจนะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันต้องสอบไล่ก็บางคนก็ปล่อยบางคนไม่มีการบ้านยากยากเข้ามาในชีวิตก็ชะลาใจประมาทเพราะไม่มีการบ้าน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 ตายแบบทุรนทุรายเพราะว่าไม่เคยได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่เคยได้ฝึกเลยไอวิชาชีวิตก็ไม่เคยได้เรียนหรือฝึกฝนให้ช่ำชองในทางตรงข้ามคนที่เขาเจอนะความทุกข์มามากก็มัน่าเขาเจอการบ้านมาเยอะเขาก็จะเมื่อถ้าเขาผ่านมาได้เนี่ยเขาจะมีความรู้มากขึ้นแล้วถึงเวลาที่ต้องสอบไล่เขาก็จะผ่านไปได้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 นะความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนะสูญเสียพัดพราดเป็นหนี้เป็นสินงานการไม่ราบรื่นนะหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยให้มองนะให้ตระหนักว่ามันไม่ใช่ข้อกรรมมันมันคือการบ้านนะที่เรียกว่าธรรมชาติก็ได้หรือว่าสังสารวัฏเนี่ยส่งมานะเพื่อให้เราเนี่ยเข้มแข็งให้เรามีสติปัญญามากขึ้น ถ้าเราใช้ความรู้ที่มีใช้สติใช้ปัญญารู้จักหาวิธีที่จะผ่านพ้นความทุกข์ได้เทีละนิดทีละนิดเนี่ยเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นเราจะมีปัญญามากขึ้นถถึงเวลาสอบไล่เราก็ผ่านไปได้มีสุขติเป็นที่หมายให้เราวางใจแบบนี้ตั้ง มองแบบนี้นะมันจะมีกําลังใจมันจะมีแรงขึ้นสู้นะแล้วก็จะมีการระดมความเพียร น, นะเวลาเจอความทุกข์เวลาเจอความยากลำบากนะจะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ต้นมือหรือไหมจะไม่ท้อถอยนะจนกระทั่งอคิดสั้นวิชาชีพมันเป็วิชาที่ต้องเรียนนะควบคู่หรือพร้อมๆไปกับวิชาทั้งโลกและวิชานี้มันก็ไม่ค่อยมีหลักสูตรนะ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 แต่ทั้งหมดนี้ก็ลดมีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักใช้ธรรมะนะเอามาใช้แก้ไข